ครั้งก่อนๆที่เราพูดถึงพวกกา ม, มาตาณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานะตัณหาสามพวกนี้มันต้องคูณปีรูปสาตรูปหนะกสินะจริงจะถูกจะรู้ว่าโลกของตัณหาเนี่ยมันกว้างขวางขนาดไหนเมื่อก่อนนี้ก็เข้าใจยากมากที่จะคิดว่าคิดยังไงในตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเนี่ย โดยกามะตัญหาคิดยังไงเป็นกามะตัญหาคิดยังไงเป็นภาวะตัญหาคิดยังไงเป็นวิภาวะตัญหาปกตินี้ทำความเข้าใจยากหรือง่ายเนี่ยนะทำความเข้าใจยากหรือง่ายแต่ถ้าเข้าใจสักกายะทิฐินียแล้วทำความเข้าใจไม่ค่อยยากเนี่ยก็เอาเอาสักกายะทิฐิมาตั้ง อย่างเช่นว่ามีตาเป็นอารมณ์แล้วเป็นกามตันหาพวกนี้ก็ตาสวยอย่างเดียวไม่รู้ว่าสวยอย่างเดียวเขาว่าพวกนี้เป็นกา마ตันหาพวกนี้ไม่ได้ไปคิดอะไรลึกซึ้งซับซ้อนคือมันไม่ได้ซับซ้อนแบบทิฏฐินะมันคิดแต่เรื่องสวยเข้าว่าอย่างเดียวอย่างนี้ตาสวยอย่างนี้ตาไม่สวยเป็นต้นอันนี้สวยน้อยอันนี้สวยมากเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ลักษณะกา마ตันหาแต่ถ้าเป็นภาวะอ เป็นภาวะกับวิภาวะเนี่ยต้องอธิบายว่าเห็นตาโดยความเป็นตนตาก็คือเราเราก็คือตาอันเดียวกันเนี่ยนะตนเนี่ยมีตาคุณพภาอย่าเมาเนี่ยวันนี้ตนมีตาตนเนี่ยในตาตาเนี่ยในตนเนี่ยนะ ถ้าเห็นตากับตนเนี่ยคือสิ่งเดียวกันอันนี้เป็นวิภะวะตัณหาเห็นไหมถ้าเห็นตนเนี่ยอย่างหนึง่งตาก็อย่างหนึง่งใช่ไหมตนเนี่ยอย่างหนึ่งตาก็อย่างหนึ่งตาเนี่ยมันเป็นเจ้าของของโตไอ้ตอนเนี่ยเป็นเจ้าของตาตนเนี่ยมันสิงอยู่ข้างในตา ตาเนี่ยมันสิงอยู่ในต้นนะพวกนี้แหละเป็นภาวะตันหาเหนะ็นไก็อย่างอื่นก็อธิบายแนวเดียวกันหนะหรือใจก็เหมือนกันนะยกตัวอย่างใจเคอามองว่าเออใจเนี่ยดีดีดอา่าหรือถ้าเป็นเรียกว่าใจเนี่ยชอบใจอย่างเดียวนะชอบใจเขาอย่างเดียวเลย ให้เราเหมือนพูดแบบง่ายๆนะเราเนี่ยชอบใจคนนั้นมากเลยถูกใจจริงๆเลยนะใจของเขาดีๆชอบมากอันลักษณะนี้เป็นเป็นลักษณะของกามาตัญหาแต่ไปถ้าไปคิดว่าใจเนี่ยเท่ากับตนตนอันใดใจก็อันนั้นใจอันใดตนก็อันนั้นอันนั้นเป็นวิภวะตัญหาเป็นอุเฉททิฏฐิเพราะใจวันหนึ่งคิดกี่เรื่องอะ งั้นตนก็ไม่เที่ยงอสิเพราะฉะนั้นก็เพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมใจมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าเห็นใจโดยมโนโดยความเป็นตอนอันนี้เป็นหรือเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนนี้เป็นอุเฉตแต่ถ้าเห็นตนเนี่ยมีวิญญาณตนมีวิญญาณตนเนี่ยอยู่ในวิญญาณวิญญาณ น, นี่อยู่ในตนพวกนี้เป็นสัสตถิธิพวกนี้นก็เป็นสัสตถิธิ คิดง่ายๆายายก็มีอ่ะนะมีคำว่ามีอยู่คำหนึ่งก็ในกลับไปในกลับมาแค่นั้น น, นั่ น, นตนในตาตาในตนกลับไปกลับมาก็ครบละก็อารมณ์ทั้งมวลเนี่ยนะทั้งหกสิเลยเนี่ยนะปีรูปสาตรูปหกสิบนะก็มาคำนวณตามเนี้ยจะเข้าใจในเรื่องตัณหาสามในในในอารมณ์ทั้งหลาย เช่นบางพวกนะถ้าเอาเอาตยารูปสาตรูปมีอะไรบ้างคุณมันมีไม่รู้ครับเหรอโอตายหน้าหนังสือจะผูกอะไรบ้างถืออันนะอน า, า ย, นายอตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกวิญญาณหกภาษะหกอะไรเวทนาหกสัญญาหก เจตนาหกตัณหาหกวิตกหกวิจารหกนนะคุณมุลีลองว่านิดหนึ่งอะไรอายตนะภายในหกโอ้โหใจลอยจริงๆเลยถ้าของมาสอนให้คุณมูลีได้นะรประเทศชาติเนี่ยสอนได้หมดนะอะไรเนี่ยอายตนะภายนอกหกอันนี้ วิญญาณหกนี่ผัสสะหกนี่เวทนาหกนี่สัญญาหกนี่เจตนาหกนี่ตันหาหกนวิตกหกนี่วิจารหกมีไล่สิใช่หมนึ่งสองสามยี่เจอกับสิบพอดีเลยหกคูณสิบเท่ากับหกสิบพรุ่งนี้มาตอบมาต่ออีกเลยแล้วติดตีฉิงอีกมาไม่ได้พรุ่งนี้ต้องไปตีฉิงอีมาไม่ได้ ติดใจในระสารมทีนี้มาดูว่าถ้ามีพวกพวกอายตนะภายใน6ก็ลักษณะเดียวกันใช่ไหมถ้าเพลิดเพลินในวัตถุเฉยเฉยโดยที่เดียวผมไม่ได้ไปคิดอะไรซับซ้อนมากมายนักพวกนี้เป็นลักษณะของกามตัญหาถ้าเพลิดเพลินด้วยอำนาจของอะไรเพลิดเพลินแบบ เข้าใจว่าเป็นของเป็นตนนะคิดง่ายๆว่าตนอันใดอ่ะพวกนี้ก็คือตนอันนี้เป็นวิภาวะตัณหาหรืออุเฉดเนี่ยนะซึ่งความจริงวิญญาณมันก็มีวิญญาณแล้วตนมีหรือเปล่าตกลงวิญญาณมีแต่ตนเนี่ยคือความเข้าไปเข้าใจผิดเข้าไปใจผิด อย่างผู้การเขาอุปมาง่ายดีใช่รถบ้านอื่นไปคันว่ามาเป็นของตนเดือดร้อนไหมถ้าเป็นพวกนี้นะในฐานะว่าตนเนี่ยมีกตัวอย่างอะตนมีอายตนะภายในหกตนมีอายตนะภายนอกหกตนมีวิญญาณหกตนมีภาษาหกตนมีเวทนาหกเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้เป็นภาวะตัณหา เป็นสัส ER <escrito. S 1> ตตทิฐิหรือว่าน leakage, ตนเ น, น, น, น, น, น, นี่ยตนเนี่ยอยู่ในตนเนี่ยอยู่ในตาตนเนี่ยอยู่ในหูตนเนี่ยอยู่ในจมูกตนนี้อยู่ในลิ้นตนนี้อยู่ในกายตนเนี้อยู่ในใจใจไม่ใช่ตนหรอกตนเนี่ยมันสิงอยู่ในใจอีกครั้งหนึ่งพวกนี้แหละเรียกว่าเป็นภวะตัณหาหรือเป็นสัตตทิฐิเนี่ยนะหรือว่า อายตนะเป็นต้นเนี่ยมีในตนอ่ะนะสิ่งนั้นอ่ะมีอยู่ข้างในตนเนี่ยนะเช่อนอ่ะนะอายตนะภายในเนี่ยอยู่ในตนอายตนะภายนอกเนี่ยอยู่ในตนง่ายๆสีของตนอ่ะนะคิดง่ายๆสีของเราอะ่ะก็เสียงของเราอะ่ะกลิ่นของเรารสของเราโภธภาของเราธรรมารมของเราพวกเนี้ย เป็นลักษณะของภาวะตันหาเห็นไหมพวกนี้เป็นภาวะตันหาเป็นสัสตทิฏฐิของเรานะพวกกลุ่มของเราเราก็อย่างหนึ่งของเราก็อย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ได้นะความเข้าใจในวะตะไม่ยากสมุทัยศาสตร์ก็เรียนไม่ยาก เดีย๋ยววันนี้จะเอาให้จบสมุทรยาศาสตร์เลยนะอันนั้นก็อาจจะมีนิถิเป็นปัจจัยนะแต่ก็มีทิฏฐิเอ่อถ้าเป็นมานะก็ไม่เกิดร่วมกับทิฏฐิเอตังมะมะเนี่ยนะเอตังมะมะอันนี้นั่นของเรา เอตังแปลว่านั่นมามะแปลว่าของเราเอตังมามะเอโสหามาสมิเอโสหามาสมิเนี่ยก็โดยทั่วๆไปเขาบอกเราเป็นนั่นแต่ของมาว่ามันไม่ค่อยตรงกับภาษาไทย มาว่านั่นเรานี่นนะแล้วก็เอโสมีอาตานี่นนะเอโสมีอาตาอาตาเนี่ยถ้ามีติเนี่ยแปลว่าดังนี้อิตตัวนี้แปลว่าดังนี้ภาษาไทยก็เท่ากับจุดนี่นนะอิมาจากคำว่าอิติ แปลว่าดังนี่และท่านก็เขาเรียกว่าเ so, อโซเมอตาก็พอทัตติเนี่ยดังนี่แลเท่ากับอะไรนะเป็นพิมพ์หนังสือก็จุดฝุ่นสต็อปจุดเบรกเหมืงั้ันมวนถัว่วมันทำบัญชีธนาคารเลย <c oughs> มนธนาคารก็เลยเรียน ม, ยมวยทถั่อ <c oughs> เคยทำ น, น้องสาวไม่ทำบอกทำไม่ไหวเรียนหัว่วไม่ได้เรียนมา พวกเ so, อโสเมอตาก็คือนั่นอตานั่นอตาเมก็ของเราใช่ไมนั่นอตาของเราคือนั่นเราเอเข้าไปนั่นของเราเนี่ยนะของเราเนี่ยหมายถึงตันหาร้อนั่นนั่นเรามานะ9้นั่นอตาของเราที่ทิ 62. ถ้าดูตามประโยคอะนะนั่นของเราก็เป็นลักษณะของกามตันหานั่นอัตตาของเราก็เข้าภาวะตันหากับวิภาวะตันหาทั้งหมดที่เรากล่าวส่วนใหญ่มีส่วนเหลือนะ เพราะคำว่าภาวะตันหานั้นะ่ะโดยที่ไม่มีทิถิก็มีเช่นยินดีในรูปประพบและอารูปประพบแต่ตรงนั้นเราไม่ค่อยได้พูดถึงยังไม่พูดถึงว่างั้นเถอะแต่นี่พูดแบบอะไรที่มันแยกเห็นชัดๆก่อนนะนะแต่ขนาดชัดกันนี้คุณมลเมียังงงอีกแต่ถ้ามีณปฏิเสธเมื่อไหร่นะใช่จะเป็นเนตังมะมะ ณเอโสหมาสมิใช่ไหมเนโสหมาสมิก็คือณตัวนี้ก็แปลว่าปฏิเสธณแปลว่าไม่ใช่ก็ปฏิเสธก็เท่ากับว่าถ้าเนตังมามะก็เป็นอะไรทุกขังเนี่ยนะ ท, ทุกขทุกขโตอะนะถ้านั่นไม่ใช่อนั่นไม่ใช่เราก็เป็นอั น, นิจจัง นั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็เป็นอนัตตาเนี่ยนะอันนี้จังเออขอไปทุกขังเนี่ยนะก็คือทุกขโตโรคโตสลรโตคันโตพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะที่บายว่ามันไม่ใช่ของเราการคิดแบบนี้ปฏิเสธตัณหาใช่ไหมก็เราอยากกะพูดไหมว่าฝีของเราเรานี่มีฝีนไปที่ไหนโชว์เลยอนะี่ยมีไหม ปิดที่สุดเท่าที่จะปิดได้เพราะเราไม่อยากจะบอกว่านั่นของเราพั่นการคิดโดยความเป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรไปที่ไหนเที่ยวประกาศไหมว่าชั้นนี่เป็นเอดมทติดป้ายไว้เบื้องหน้นะมีใครทำล้อแต่ก็มีนะผู้หญิงคนหนึ่งเขาเขาเขาเล่านะเขาเกิดมาเป็นคนสวยมากผู้ชายติดบานเลยในที่สุดก็ไปติดเอดมานี่เจอผู้ชายมาคุยด้วยเขาจะบอกว่าเขาเป็นเอดเขาบอกว่าตั้งกันนั้นมานไม่ค่อยมีใครมาคุยกับเขาเขามีเวลาเป็นส่วนตัวมากเลยเขาว่า แล้วก็จะบอกว่าเขาเป็นเอ็ดนะเขาว่าั้นก็มีอยู่ไม่กี่คนนะแต่ถ้าว่าโดยรวมๆแล้วปกปิดใช่ไหมโรคาโตพวกทุกขลักษณะนั้นพวกนี้เป็นของร้อนเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เป็นพิจารณาทุกขลักษณะถ้าพิจารณาโดยความเป็นทุกขลักษณะเราก็ไม่อยากจะพูดว่าเป็นของเราอ่ะนะเขามีปู่ของพัจุรบันทกกับมหาปันทกเนี่ยเขามีหลานอยู่สองคน หลานสองคนเนี่ยแม่แม่ของเขาเนี่ยเป็ น, ปนลูกของเศรษฐีใหญ่ใช่ไหมเป็นลูกของมหาเศรษฐีนี่แม่ก็หนีตามทาดะชวนทาดหนีไปอยู่ที่อื่นได้ทาดเป็นผัวก็ชวนกันหนีไปในที่สุดเด็กสองคนนี่มันโตขึ้นมันก็ถามหาว่าปู่เอาตากะยายอยู่ที่ไหนปู่กระยายอยู่ที่ไหนในที่สุดแม่อรทนทนไม่ได้ก็ไปพาไปหาตา ตาไปหาตาก็ตาก็รับเลี้ยงลูกรับเลี้ยงหลานสองคนแต่เจ้าสองคนนี้เอาสตังไปไม่ต้องมาให้เห็นหน้าโดยประการทั้งปวงก็บอกว่าในวัตตาอันยาวไกลเนี่ยไม่เคยมีเป็นลูกเป็นพ่อกันไม่มีหรอกมา ง, งั้นแต่ว่าเจ้านี้ทำให้ข้าทุกข์มากเพราะฉะนั้นตายก็เอาสตังไปก็หลานเนี่ยเอาไว้ที่นี่แหละฉันจะเลี้ยงให้ก็เลี้ยงโตโตก็คนโตชื่อว่ามหาปัญทกก็ไปฟังธรรมกับตา ก็พอฟังทำก็มีศรัทธาอยากจะบวตขอตาบวชตาก็บอกว่านะคนเนี่ยเจ้านะถ้าเจ้าบวชคนเดียวมันประเสริฐกว่าทุกคนทั้งหมดในโลกนี้บวชเขาว่างันทำไมรู้ไหมเขาบอกว่าเขาเบื่อนายมากที่จะต้องไปถามว่าเด็กคนเนี้มันลูกใครที่เกลียบเบื่อที่สุดเลยตอบคำถามนี่มันลูกใครเนี่ยนะมาเรียกตาจังไหมครับท่านมีลูกหลายคนนะเป็นลูกใคร ก็บอกลูกของลูกสาวที่มันหนีตามธาตไปเนี่ยนะแม่มันพูดมันทรมานใจมากก็เลยบอกถ้าเจ้าบวชนะอุย้ยมันวิเศษจริงๆดีมากเลยนะก็เบื่อที่จะตอบคํานี้มานะัดอัมเอิงอัมเอิงไม่ตอบปัญหานนี้มานานเต็มทีถ้าเจ้าบวชคนหนึ่งดีก็คนที่เล็กอีกโอ้ดนะีอนุญาตทันใจมากเลยไม่ต้องปรึกษาใครทั้งนั้นโสมนัดมากที่หลานได้บวชสักทีหนึ่งนะจะได้ไม่ต้องตอบว่าลูกใคร ก็ถ้าถ้าถ้ามีแนวความคิดแบบนี้นะถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่อยากจะบอกว่าเป็นของเราอ่ะนะลูกคนนั้นเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยว่าเป็นของเราอ่ะนะสมมติว่าใครมีลูกติดยาบ้านเนี่ยนะถูกจับไปหยกๆเลยอยากจะพูดไหมว่าลูกเราเป็นูาขาวป่นั่นแหละนั่นแหละคงเล็กคน้องลูาขาวใช่ไครับใช่ช่ คงถ้าการพิจารณาโดยความเป็นทุกข์เนี่ยละความสําคัญด้วยอำนาจตัณหาขณะที่มานะเกิดเนี่ยนะมานะเกิดก็บวกกับกามตัณหาด้วยนะส่วนใหญ่ก็บวกกับกามตัณหามานะเนี่ยเป็นเป็นตัวที่เป็นปัจจัยที่สําคัญต่อทิฏฐิก็ได้เป็นปัจจัยที่สําคัญต่อกามตัณหาก็ได้เนี่ยนะแต่ว่ามานะนี่เวลาเกิดร่วมตรงๆแล้วเกิดร่วมกับกามตัณหาเนี่ย ก็ไปถ้าใครจะฝึกคิดสมุทัยศาสตร์เนี่ยนะก็ลองไปสาธยายดูนะที่ใดเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่นั่นแหละเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นั่นแหละตาเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ตาเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ตาก็คิดถึงตัณหาสามด้วยกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหา หูเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่หูเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่หูกา마ตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาเนี่ยนะจมูกเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตันหาเมื่อเกิดก็เกิดที่จมูกเมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จมูกลิ้นเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตันหาเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่อ่าเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ลิ้นนะเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ลิ้น กายเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตัณหาเมื่อจะเมื่อจะเกิดก็เกิดที่กายเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่กายในหน้าไหนหน้า12บส อ, อะนะหน้า12จริงๆแล้วพุทธพจน์เนี่ยจะแสดงทีละอันทีละอันนะแต่ว่าคนแปลคนพิมพ์เขาก็เออพิมพอย่างนี้มันง่ายดีประหยัดกระดาษไปตั้งเยอะแต่ถ้าเป็นพุทธพจน์จะไม่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกพระองค์จะไม่ไม่แสดงอย่างนี้หรอกพระองค์ขยันมาก บอกในบรรดาคนที่ขยันพูดที่สุดนี่คือพระพุทธเจ้า <te le> ของเราเนี่ยส่วนใหญ่บอกรู้กันง <g eng> ่ <isses> <moisturizer. g parfait> ายดีก็หน่าไปสาธยายนะ <pe at> ก็ว่างๆก็นั่งสาธยายเออตาเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิด <pe at> ก็ย่อมเกิดที่ตาบังงันั้น <pe at> <pe at> เมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ตาโ <pe at> <pe at> อ <pe at> เป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกน่ะนะสาธยายอย่างนี้ได้ตั้งหกสิบนะ ครึ่งชั่วโมงจบไม่ยังไงสอนว่าค่อยๆว่าช้าๆเนี่ยนะเราจะได้เป็นเครื่องชั่วโมงเลยเนีแล้วจะทําให้เข้าใจอย่างอื่นขึ้นอีกเยอะนะการสาธยายเนี่ยโดยเฉพาะคิดในภายในด้วยแล้วสาธยายน่าจะได้ประโยชน์ไม่ใช่น้อยอ น, นะซึ่งจริงๆก็ใครที่จำพระสูตรไปท่องอย่างอื่นไม่ค่อยเก่งนะท่องอย่างเงี้ยง่ายดีเพราะมาก็ชอบท่องแบบนี้แหละมันไม่ต้องไปใช้ความจําอะไรมากมายมันคุ้นอยู่แล้วก็ว่าตามสาธยายไปเถอะเนี่ง่ายมาก <c oughs> ในบรรดาทั้งหมดเนี่ยนะอย่างภาษาหกภาษาหกเนี่ยตัวภาษะที่เกิดจากจักรุู่สัมผัสโสตาคานาชีวหากายะและมโนโ ส, สัมผัสเนี่ยนะภาษะเหล่านี้สภาวะของเขาคือการประชุมกันใช่ไหม ประชุมกันระหว่างตาสีและวิญญาณเนี่ยนะประชุมกันภาษะหเหล่านี้เนี่ยนะทุกครั้งที่ภาษะเชื่อไหมว่าเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาจากโขสัมผัสสัมผัสเนี่ยนะสัมผัสกับ ตัวหลักๆเลยเนี่ยนะเน้นอารมณ์ใช่ไหมอาศัยตาแต่สัมผัสกับสีทีนี้สัมผัสกับสีขาวสมมตินะสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงเป็นต้นเนี่ยทศอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งสมมติสีขาวก็เป็นที่ตั้งแห่งเวทนา 3. สามศกทุกขและอุเบกขาทุกสีที่รับสัมผัสมาเป็นที่ตั้งแห่ง เวทนาสามหมดเลยคือภาษะที่เป็นปัจจัยแก่เวทนาเนี่ยนะเป็นปัจจัยสามปัจจัยนะเออขอาไปสามกลุ่มหนึ่งสหาชาตะปัจจัยหรือสหา ช, าชาติชาติคือตัวภาษะที่เกิดร่วมกับเวทนาหรือเวทนาที่เกิดร่วมกับภาษะในที่หนึ่งในที่สองด้วยอํานาจอนันตระปัจจัยนนเะอ อนันตระก็คือเช่นจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยแก่เวทนาในสัมปติชนะเนี่ยนะจักขู่สัมผัสภาษาที่ในจกักขู่เป็นปัจจัยแก่เวทนาเน้นตั ว, ต, วตัวเวทนาอย่างเดียวที่ในสัมปติชนะจิตอันนี้เรียกว่าอนันตรชาติอนันตร ะ, ตตระสมนันตระอนันตรูปนิสยาณถิและวิคตะ แต่ถ้าเป็นถัดมาเนี่ยนะสันติรณะโวทัพณะชาวณนะชาวณะในขณะนั้นก็ตามหลังหลังจากนั้นก็ตามเป็นกุศลก็ตามอากุศลก็ตามอัพยากตะก็ตามก็ถือว่ามีภารษาเ น, นี้ยเป็นปัจจัย เห็นแว บ, บเดียวนั้นน่ยนะมันมันยิ่งใหญ่มากเลยนะการเห็นห น, หนึ่งอย่างเนี่ยอย่าถือว่าไม่สําคัญนะโดยที่สุดเนี่ยเห็นเห็นอะไรมากเช่นเห็นอะไรที่ว่าหลังจากเนี่ยไปสะเทือนใจหรือไปดีใจอ ย, อยู่นอนมากเลยนะนึกเมื่อไหร่ก็ดีใจเป็นต้นหรือนึกเมื่อไหร่ก็เสียใจหรือนึกแล้วก็ดีใจบ้างเสียใจบ้างนนะภาษาอะไรดี ถ้าผู้การเขาจะชอบยกไพรินขึ้นมาไม่ใช่ภาษะคุณไพรินแต่ว่าไ ป, ไปาคุณนายไปภาษะไพรินที่เขมรมาผู้การเขาจะชอบยกอันนี้มาถ้าตอนภาษะตอนขณะเห็นเลยนะก็สหาชาติชาติใช่ไหหลังจากนั้นมาก็เป็น ก็เป็นอนันตราชาติหลังจากนั้นมานะดีใจเสียใจเพราะอาศัยภาษา น, นั้นเนี่ยใหญ่มากบางครั้งก็ดีใจใช่ไหมนึกถึงแล้วก็โอโ้ซื้อได้ถูกดีใจนึกถึงว่าเออซื้อได้ถูกดีใจนึกถึงว่าเก๊เสียใจอย่างเง้ยเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเนี่ยถือว่าภาษตัวนั้นเป็นตัดใจเนี่ยนะภาษตัวนั้นเป็นตัดใจให้ดีใจเสียใจเป็นต้นเนี่ยนะ หรือแม้กระทั่งภาษาที่เกิดแบบพูดแบบไทยๆก็ตัดสินใจเนี่ยนะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นขณะที่ตัดสินใจก็มีภาษาใช่ไหมภาษาอันนี้บางครั้งอ่ะพอตัดสินใจเสร็จบางครั้งก็ดีใจบางครั้งก็เสียใจบางครั้งก็เฉยในเรื่องเดียวเนี่ยเช่นตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปแล้วเนี่ยนะภาษา น, นั้นยิ่งใหญ่มากต่อ เวทนาที่เกิดครัง้งหลังๆมาบางคนเนี่ยเดือดร้อนเพราะตัดสินใจครั้งนั้นเนี่ยมากเลยใช่ไหมทุกขะทมตลอดเลยเช่นตัดสินใจจะไปค้างป่าสักสิบคืนเนี่ยนะไม่ยอมออกเนี่ยตัดสินใจอันนั้นอะไรเกิดขึ้นทั้งยุงกัดทั้งอะไรถือว่าภาษาอนั้นเกิดจากเวทนาทั้งหมดนั้นเกิดจากภาษานั้นเนี่ยนะสมมติว่าเอาง่ายๆคุณหลายคนเนี่ยตัดสินใจว่าจะไปบูชาพระธาตุ จะไปนคนปรปฐมน่นนะจะไปบูชาพระธาตุที่นคนปรปฐมตัดสินใจ น, นี่นะหลังจากนั้นก็เกี่ยวข้องกับบางเรื่องเออดีใจเราจะได้ทำบุญใช่อีกพักหนึ่งคิดไหคนอื่นจะให้เราไปหรือเปล่าเนาะอนะหรือมันจะต้องเดือดร้อนขัดข้องกับอะไรอีกบ้างนะอันนั้นก็ออชักไม่เคยสนุกเลยนะบางครั้งนึกนีออ่อีกตั้งหลายวันเอาไว้ก่อนก็ได้ไง ก็สลับดีใจเสียใจเฉยๆดีใจเสียใจเฉยๆเธอว่าตัดสินใจอันนั้นผัสสะขณะนั้นเนี่ยเป็นตัดใจทีนี้ผัสสะของเราวันหนึ่งมันมากเหลือเกินนะเพราะเวทนามันจึงเกิดได้มากมายมหาศาลไม่มีจบมีสิน้นเาะนั้นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาในในใครอ่านขันขันัขันทวิพังจะเห็น ภาษะเป็นปัจจัยแก่กุศลก็มีเป็นปัจจัยแกอกุศลก็มีกุศลเวทนาอกุศลเวทนาแล้วก็อัพยากตะเวทนาเนี่ยนะเพรา ะ, ะ น, นภาษะเป็นปัจจัยทั้งแกกามากามาวจรกุศลรูปาวจรกุศลอารูปาวจรกุศลและโลกุตระกุศลอย่างบางยกตัวบางคนเห็นพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเศรษฐีคนหนึ่งอุคฆ ข, ขึ้นหาบดีแกเห็นพระพุทธเจ้านะเมาอยู่เลยนะเห็นพูดเริมตาดูพระพุทธเจ้า นี่พระพุทธเจ้าหายเมาเลยก็เลยเข้าไปฟังธรรมฟังธรรมก็บรรลุเป็นพระโสดาบันวันหลังฟังอีกก็บรรลุเป็นพระอนาคามีเป็นตอนนั้นถือว่าจากักขูสัมผัสที่ได้เห็นพระพุทธเจ้านั้นน่ะสําคัญมากเนี่ย น, นะภาษาอันนั้นเนี่ยยิ่งใหญ่มากอย่างบางคนเนี่ยภาษาเพราะได้ยินว่าพุทโธดีใจมากเลยนะภาษาว่าได้ยินเสียงว่าพุทโธเนี่ยนะก็ดีใจมากตอนหลังก็บรรลุมรักผลเช่น อนาถบินทิกะเศรษฐีนนะภาษาอันนั้นก็มีคุณมากแต่ไปเจอภาษะบางอย่างเนี่ยนะเสียหายตลอดชีวิตเลยเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ภาษากับพระเทวทัตอย่างเงี้ยนะชีวิตนี้ก็ได้บาปไปบาลเลยเลิกคบพระเทวทัตเมือ่อนั่นแหละจริงๆได้เจริญกุศลแต่ตอนที่คบพระเทวทัตเนี่ยนอกจากส่งอาหารให้พระเทวทัตนี่ไม่ได้เรื่องอะไรเลยอย่างอื่นเนี่ยนะไม่ได้อะไรเลยตั้นก็ภาษะ ทั้งหลายเนี่ยนะนับว่าสําคัญมากที่ที่เป็นปัจจัยแก่เวทนาทั้งขณะนั้นด้วยถัดจากนั้นมาด้วยแล้วก็หลังๆนั้นมาด้วยก็แล้วก็วันๆหนึ่งเนี่ยโยมคนหนึ่งเขากลับไปบ้านจันทบุรีอาจาเคสอนรู้จักดีโยมคนนี้อยู่ข้างๆ เ, เขาก็บอกว่าเขา กลับมาปั๊บบอกยอมเนี่ยไปทําอกุศลมาเขาว่าไปขอบปลวกเยอะเลยเขาว่าบ้านปลวกมันกินเนี่ยนะเพราะภาษากับปลวกเลยในโทมนัตเวทนาเลยนะกลับมาก็ไม่สบายใจบอกเอาใหม่นนสมมาทานใหม่มันแล้วไปแล้วไปทําอะไรได้มันบาปไปแล้ว่ะก็สมาทานใหม่ก็แล้วกันนะนันน้ก็เหมือนกับว่าไปเดินเหยียบตะปูเหยียบอะไรมันทิ่มมาแล้วเอามันก็ทิ่มไปแล้วจะไปทํายังไงก็เดินระวังกันแล้วกันต่อไป ท่านะนก็หลายๆคนก็อย่างนี้แหละปกติท่านไปภาษากับบางอย่างเนี่ยอดไม่ได้เลยที่จะทำบาปใช่ไหมพอเจอภาษะบางอย่างเนี่ยโธมนัตอย่างรุนแรงภาษะกับบางอย่างก็โส ม, มานัตแรงมากภาษะบางอย่างก็ใช่เลยนะฮะอิทธิพนของภาษะนี้ยิ่งใหญ่จริงๆต่อเวทนาแล้วก็เวทนาทุกเวทนาเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่ตัณหาหมด เพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยพระองค์ตรัสอุปมาว่าประดุดตาข่ายมันแครขยายไปหมดที่มันเยอะนะภาษาเราวันวันหนึ่งเรากี่ภาษาล่ะในทวารหมากมายมหาศารแต่ละภาษาเป็นที่ตั้งแห่งดีใจเสียใจเฉยหมดเลยแต่ละอันเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ตัณหาสดีใจก็ตัณหาสกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเสียใจก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาสเฉยทุกเฉยก็เป็นปัจจัยแก่ ตันหาสามนั้นพระองค์อุปมาตันหาชาโลเนี่ยชาละแปลว่าตะข่ายเนี่ยนะแล้วก็อีกอุปมาหนึ่งก็คือสมมุติว่าตันหามันแข่ข่ายออกมาเนี่ยนะแข่สมมติว่าข่ายทางตานาะตันหาเนี่ยมันชอบไปหมดเลยใช่ไหมดูตรงไหนก็ชอบไปหมดนะมันพ่นเนาเหมือนกับมันพ่นอะไรนียพ่นยางไปแปะแป ะ, แ ป, ะแปะแปะไว้เต็มไปหมดเลย ลักษณะของตันหามันมันประดุษตะขายมันเกิดมากจริงๆในหลัตร์ทั้งหลายเนี่ยจึงสร้างเหตุแห่งแห่งทุกข์สัส่วนใหญ่ใช่ไพวกเหตุแห่งทุกข์เนี่ยคือตัวตันหาตันหาทั้งมวล น, นี่ล้วนแต่มีเวทนาเป็นปัจจัยที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยถาม่าเวทนาไหนบ้างเราเอามาทำปริญญาแล้วเวทนาที่ผ่านมาในชีวิตนะตัวไหนอะมาทาปริญญาจนไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาบ้าง ถ้ากล่าวไปรวมๆแล้วเราเรามาถามลักษณะนี้จะรู้ว่าน้อยเต็มทีที่เคยเอามาทำปริญญาแล้วเนี่ยนะหรื อ, อเวทนาตัวตัวใดบ้างที่มาคูณด้วยอนุปัสนาเจ็ดแล้วจึงจะรู้ว่าคู่ควรต่อ น, นิโรศจจะไหม